ศีลห้าคือผู้ควบคุมกิเลสกิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้นรุนแรงมันจะพาเราไปประพฤติเสียหายเรานึกถึงศีลห้าข้อการทำอย่างนี้มันผิดศีลห้าข้อใดเราต้องนึกทันทีถ้ามันไม่ผิดทำมันไปอยากได้เงินหาเงินมาม า, มากๆแต่อย่าไปทำผิดศีลหามาได้แล้วต้องตระหนี่มากๆ คนไม่ตรณีไม่ได้เป็นเศรษฐีพระท่านว่าอย่าโลภอย่าตรณีอย่าไปเชื่อท่านท่านสอนให้เราสละมากๆเพื่อท่านจะได้มากๆหลวงพ่อเห็นพระอยู่ในวัดนี้ไฟหลอดเดียวขาดมาเบิกเงินสงฆ์ตัวเองไปบินบางสังสวดได้อยู่มาแทะแต่กระดูกวัดเพราะฉะนั้นจึงมาอยู่ในลักษณะที่ว่าสอนให้คนอื่นก็เสียสละเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์มากๆ แต่ตัวเองไม่รู้จักเสียสละ